เรื่องไม้สำหรับทําครกหนึ่งเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งปูลาดอาสนะที่โรงอาหารในละแวกบ้านเหยียบขอนไม้ที่เขานำมาทําครกกลิ้งไปทับเด็กชายคนหนึ่งถึงตายแล้วเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัติปาราชิพหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสถามว่าภิกษุ